อนาปติวันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1 6 3 1. งิภิกษุสอนในสมัย2อภิกษุให้อุเทศ 3. ภิกษุให้ปริปุทชา 4. ภิกษุที่ภิกษุณีกล่าวขอว่านิมนต์พระคุณเจ้าสวดเถิดสวดอยู่ 5. ้ภิกษุถามปัญหา 6. ภิกษุถูกถามปัญหาแล้วตอบปัญหา 7. ภิกษุสั่งสอนผู้อื่นแต่มีภิกษุณีฟังอยู่ด้วย 8. ภิกษุสั่งสอนสิขามานา 9. ภิกษุสั่งสอนสา ม, มนเณรี 10. ภิกษุวิกลจริต1 1ภิกษุต้นบัญญัตภิกขุนูปัศยะสิขาบทที่3จบ